ลำดับที่หนึ่งติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่92โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP 3แผ่นที่92ให้คติธรรมหัวข้อว่ายัต ถ, ถาอัฏฐางสุตัง ศิละปะที่ศึกษามาดีแล้วย่อมนำประโยชน์มาให้ในพุทธภาษิตคำนี้หรือเอ็มแผ่นนี้ให้คติธรรมศิละปะคือการศึกษาดีแล้วย่อมนำประโยชน์มาให้คนที่ได้รับการศึกษาตั้งแต่เรียนคนที่ไม่รู้ไม่ได้รับการศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จะไปนัสถานที่ใด เ, เขาขึ้นป้ายเราก็ไม่รู้จากถนนไหนระหว่างบ้านไปยังไงเพราะอ่านหนังสือไม่ออกอันนี้ก็คือชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเร า, เาการศึกษาเนี่ยก็คือการได้ เ, เรียนรู้ว่ า, าภาษาเป็นเบื้องต้นจะไปนะัสถานที่ใดก็ไปได้สะดวกสบาย ถาว่าผู้ไดศึกษาดีรู้ภาษาทุกภาษายิ่งอยู่ในโลกนี้รู้ทุกภาษาของแต่ละประเทศือได้มากได้หลายภาษาก็ยิ่งได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาเพราะนั้นการศึกษาคำนี้ในหลักของพุทธศาสนามีมากหลากหลายศึกษาทางคดีโลกเป็นยังไงศึกษาคดีธรรมเป็นยังไงศึกษาหาทางพ้นทุกในว